ก็ก็นมน้อมต่อปาราณไตรมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทึงเป็นที่พึ่งเป็นสรณะชีวิตมนุษย์พวกเราทนะุกๆชีวิตถวายความเคารพอย่างสูงไปยังพรกรมผู้เป็นประธานพระเทลานุเถระเพื่อนกระจากธมิกที่เคารพทุกๆรูป จันทพรจร์ใธรรมยังคุณแม่จีแล้วก็น้าววยธรรมอุบาสกบาชิกาทุกๆท่านที่นั่งอยู่นาทีนี้เย็นวันนี้ก็เป็นเย็นวันพุธวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศ2กราชสน้น14คส่า เดือน8ปปีมาโรงปีนี้มก็เดือน8ดสองหนเราอาศัยนิมิตที่มีร่วมกันก็คือพ่งนี้จะเป็นวันหยุดวันอาสาฬห บ, บูชาแล้วก็ต่อ ด, ด้วยกวั า, า, วยยาวันธสาสาว์ทิศยาว เรได้มารวมตัวกันณจุดเนี้ก็หวังอาศัยเป็นที่พักพิงเป็นที่พึ่งอาศัยพบปะกันกับก ร, รยามิตรหรือว่าครูบาอาจารย์หรือว่าอาศัยสถานที่ฝึกหัดรูปแบบปฏิบัติพัฒนาจิตให้มันยิ่งยงขึ้นไปให้สมกับเป็นปีที่เขาสมมุติกันให้เป็นพุทธชยันตี เป็นใจชยยนะของพุทโธอที่มีต่อนะตัวเองสามารถทาให้กิเลส เ, เบาบางแล้วก็หมดไปนะยังเจอกับความผาสุกนะพบกับสัจยธรรมความจริงของชีวิตกนะ็นะคืออยู่กับโลกแบบเหนือโลกอยู่กับทุกข์โดยที่ไม่ต้องทุกขนะ์เห็นโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องนะนะเกิดความสงบเย็นได้ทำประโยชน์จนเกิดสันติสุขสันติภาพนะ ท้ายจก็เสด็จดับขันบาลินิพัน์ไปแล้วนะแต่ว่าร่องรอยมอันก็ยังชัดเจนอยู่นะเพราะภาคปฏิบัติการนะความรู้สึกตัวนะนะนเนี่ยเป็นการเดินเข้านะประตูธรรมมันเป็นการเปิดประตูใจแต่ว่าต้องมีกุญแจดอกเอก่อนกุญแจที่มันจะคลิกจะต้องไขกุญนะแจแก้โซ่นะนะ เครื่องพนันการที่มันผูกมัดรัดตึงชีวิตของเราอยู่ห่วงต่างๆหลักลูห่วงผูกคอแม่พ่อผ่อผูกแขนสมบัติแก้วแหวนแว่นผูกขามันลังมันดึงเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆเราต้องปรับเนื้อปรับตัวอยู่ตลอดเวลาคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ทันเหตุการณ์รู้เท่ารู้ถานอารมณ์แต่ละขณะ อะไรเกิดขึ้นที่ปัจจุบันมึงก็ได้คําตอบมันสามารถจะแทงทะลุแล้วก็เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องเรียกว่าพระอริยะไม่ทุกข์ไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรหลวงพ่อเขียนด้านใจภาษาเมื่อจบการปฏิบัติมันที่สุดของคําพูดแล้วก็จะเป็นยังไงต้องไปทำเอาเองมันก็ท้าทายเราให้เราได้มาชิมรสชาติของธรรมรสแห่ปรากฏ กในชีวิตของใครของเรากันนะมันก็จะเป็นเรื่องามงคลอันสูงสุดทีเดียวที่ใช้โอกาสนี้ขณะ น, นี้นะกิจกรรมแบบนี้เพื่อที่จะพัฒนากายพัฒนาใจของเราโดวยว่าจิตใจของเราอันนี้สาคัญเราก็เลยวางงานวางการนะวางความดนะีวางคนที่เรานะรักหรือว่าหน้าที่ต่า ง, งนะมาอยู่ที่วัดป่าสโ ต, โตกันก็ไม่มีเรื่องอื่นลนะ ไปเรื่องการปรับเนื้อปรับตัวนะจะมีก็กระเสโษณาสนาที่พักต่างๆกิจกรรมกิจวัตรประจำวันตื่นยันหลับปรับเนื้อปรับตัวอาหารการกินหรือว่าเพื่อนฝูงหรือว่ารูปแบบปฏิบัติก็ตามจะนั่งเกิดความคุ้นชินขึ้นมาหนึ่งวันสองวันสาวัน4ี่วันนะมันก็จะเกิดประโยชน์เป็นประสบการณ์ตรงของกของเราในการมาวัดมาวามก็ได้วัดจริงๆนะ จิตใจของเรามันเป็นยังไงมันปกติมันผิดปกตินมันผิดทัวติเป็นบวกเป็นลบเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปอย่างไรขณะที่อธีวัดเนี่ยพยายามกลับมาดูตัวเองก็จะเห็นความจริง ว, ว่าว่ารูปแบบปฏิบัตินก็ต้องศึกษากันให้ดีมีมากมายเหลือเกินในโลกนี้แล้อวในเมืองไทยแต่ว่าเรามานั่งยนจุดนี้แล้วก็ ต้องรับรู้เรียนรู้ไว้ที่นี่ก็ฝึกกันหัดกันรูปแบบการปฏิบัติแนวหลวงปู่เทียนก็เรียกว่าแนวเคลื่อนไหวตัวแนวหลวงปู่เทียนก็จะดูคับแคบไปหน่อยแต่ว่าถ้าแนวเคลื่อนไหวเนี่ยดูกว้างขวา ง, วางเป็นคําสอนของวมทูลงเลยติดเดียวเว่าจะเป็นอานาปนานสติเนี่ยก็ดูลมที่มากระทบเข้ากระทบออกที่ปลายจมูกหรือว่าตามลมลงไปน จนนั่งไปลงฐานที่7นะมันก็มีการฝึกหัดแบบนี้ด้วยฐานที่7ก็หมายถึงว่าลงไปถึงสะดือนน่นแหละแล้วก็เหนือสะดือขึ้นมาเอานิ้วมาวางไว้2นิ้วลมลงไปสุดแล้วกึศนะกําหนดลงไปยิ่งมีนิมิตนะจะเป็นรูปร่างลักษณะยังไงกลมๆแบนๆอะไรก็ตามตัะนะกําหนดลงไปแล้วก็ใส่ลงไปถ้ากลมก็กลิ้งลงไปดีเขาว่าก็อย่างนั้นมันก็จริงนะ แต่ว่าที่นี่ไม่ต้องที่นี่มันง่ายกว่า น, นั้นที่นี่เพียงแค่ลมกระทบรู้สึกนะเนี่ยแต่ว่ามันเป็นของละเอียดนิดนึงนะมันเป็นของที่มีอยู่ตามธรรมชาติของพลังชีวิตเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกนอนหลับหายใจได้หรือว่าเจ็บไกล้ได้ป่วยไม่สบายเผลอหลงก็หายใจได้นะมันก็จึงมีรูปแบบจาบหยาบที่เรียกว่าสัม ญ, ญัสญปั๊บพระ เดินจงกรมก้าวไปขณาถอยม้างหลังให้รู้สึกตัวรูปแบบการฝึกหัดเรียกว่าเดินจงกรมมันเคยเดินฟรีๆเดินไปคิดไปตอนนี้มันเดินไปก็รู้สึกตัวไปพลิกกลับตัวรู้สึกตัวขณะเท้ากระทนบะสัมผัสเคลื่อนไหวตัวสร้างร่างกายรู้สึกไปแล้วก็จับความรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวที่เราผลิตเจตนาผลิตเรียกว่ากรรมฐ า, าน หรือว่าการเคลื่อนการไหวการกู้การเหยียดนะกู้เข้าเหยียดออกนะรูปแบบการฝึกอันนี้กลุ่มที่จะมาเข้ากอดเปิดบัติ5วันในช่วงนี้เดี๋ยวเราเค่อยได้ฝึกกันต่อไปเพื่อให้จิตมันไม่อยู่กับความคิดจิตของเราบันชอบที่จะไหลกข้าไปคิดจนกรังง่งเกิดอารมณ์ต่างๆมากมายและเกิน ก็คือตัวคิดตัวเดียวนั่นแหละแต่ว่าหลงเข้าไปมาหล่ำก็ปรุงแต่งมันก็จะเกิดจากจริตนิสัยของเราที่สะสมมาไว้นะเป็นวาสนาเป็นหน้าที่วาสนาหรือว่านิสยัยอุนนิสัยสันดานต่างๆก็จะแสดงปรกากฏออกมาในภาพของรูปรอยของความคิดเราจะรู้สึกตัวก็คืคิดอยู่นั่นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นวันนั้นมาใหม่ๆน้องปรับเนื้อปรับตัวเข้ากับรูปแบบปฏิบัตินิดหนึ่ง แล้วก็มีสิ่งแวดล้อมต่างๆที่คอยอำนวยความสะดวกให้เรามันอำนวยความสะดวกอย่างไงก็คือมันให้ความสบายใจกับเราให้ความสบายกายกับเรามันก็มีช่วยอยู่เช่นอากาศที่นี่สบายทีเดียวกลางหลังอาจจะร้อนสักหน่อยแต่ว่าบนนี้คืนนี้ก็ต้องนอนผมพากัน22่สองศาห้องแอร์ชั้นดีแล้วก็มีสบายะอากาศสบาย เสานาสนะก็พอชีแช่แผงแบ่งพันๆกันไม่ลาบากนักก็ไม่สบายเกินไปอาจจะเสื้อผืนหมอนใบนอนอยู่ในห้องนอนที่มีมุงรั้วเนี่ยก็สะดวกหน่อยคนที่ไม่มีมุงรั้วไม่มีห้องนอนก็จะนอนซาลาโล่งๆกับมีมุงครอบก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราช่วงนี้หน้านี้มแมลงก็ไม่ดูท่าไรลมแรงอากาศเย็นมแมลงก็ไม่ค่อยออกมาก็ สะดวกับเราอาหารก็สบายภาษานี้เนี่ยแม่ปิ่นก็กลับมาแล้วนไม่ได้วดไม่ได้ ย, ดยากกันแล้วหรือว่าถึงไม่กลับมาก็มีคนที่ปฏิบัติทําอยู่กับการทําอาหารในโรงครัวจัดสรรในพวกเราก็อยู่กันอย่างสบายรูปแบบการปฏิบัติก็ไม่ยากวิธีปฏิบัติครูบาอาจารย์ก็พูดง่าย ถึงมันจะเป็นทารองรอยสองพันกว่าปีย่ยังปรากฏเป็นจริงเป็นหลักของศสัาธรรมนะที่สัมผัสได้ทุกคนเช่ตอนนี้ถ้าใครนั่งอยู่นะสัมผัสรู้นะอยู่กับลมหายใจหรือว่าท้องเต็มพองยุบหรือว่าก้นที่สัมผัสเปื้อนหรือว่าเจตนาเคลื่อนไหวนะ14บสจังหวะหรือว่าเอานิ้วมากระทบกันหรือว่าจิตมันละเอียดตั้งใจฟังนะสามารถที่จะรู้ปัจสั รู้การกระทบสัมผัสของเสียงมกงกากระทบกรวา a หูประจาศหูอย่างเงี้ยสตวิญญาณจิตใจว่ารับรู้ได้ละเอียดนิดนึงรู้แบบไปจมเข้าไปในการฟังเงี้ยเสียงสภาวเสียงไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาเงเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาภาวนาทุกฐานสามารถปีิวัติได้หมดกายเวนาจิตธรรม เห็นกายก็เห็นได้เห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาก็เห็นได้สัมผัสได้เห็นจิตเวลาปกติเวลาไม่ปกติสุขๆุขทุกทุกเนี่ยผิดปกตินะล่วงกลับมาปกติว่างว่างวงเห็นได้เห็นธรรมธรรมชาติทางตาทางหูจมูลิ้นกายใจเห็นธรรมชาติภายในตรงนี้สําคัญมันก็เป็นความว่องไวความละเอียดของสติปัฏฐานที่มันทําหน้าที่ก็มันยังตรงไปตรงมานะ สตินะก็คือความรูกรนะร้กรู้เป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะอันนี้องค์สมเด็จสัมมาของเจ้าได้กล่าวไวนะ้การที่เราจะฝึกธรรมะเนะี่ยให้ฝึกการเจริญสติเข้าไว้เพราะว่าเป็นธรรมนะที่มีอุปการละคุณนะสติเป็นพี่สมาธิเป็นน้องนะสมาธิเนะี่ยก็คืออาการตั้งมั่นแน่วแนนะ่มันก็จะมีส ม, มาสมาธิกับมิจฉาสมาธิ สัมมาสติกับมิจฉาสติมิจฉาสติก็หมายถึงสติที่พุ่งออกไปนอกตัวอันนี้สัตว์เขาก็มีนะสัตว์ขาลาสิ่งต่างสัตว์เล็กสัตว์น้อยสี่เท้าสเท้าสัตว์ปีกต่างๆสัตว์น้ํเขาก็มีสติแบบสัญจรยาณก็คือสติหิวข้าวองี้นะสติรักตัวกลัวตายสติหนีภัยหน้าหนาวต้องบินจากนูนนกไซบีเรียมาแถบ ประเทศไทยนะ ใ, กใกล้เส้นศูนย์ศูนย์มันมีความอบอุ่นสูงการหนีลงนี้ลงนี้ลงนี้ล ง, ลงพออากาศมันร้อนขึ้นมาความเย็นลดไปก็วิ่งรวบินไปตามนั้นก็เรียกว่าเขามีสัญชาติาณแบบนั้นกันรักตัวกลัวตายหนีไปมนุษย์เราก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันประเสริฐวันนี้อีกถ้าเรามาฝึกสติปัฏฐานกันมันทําให้รู้จักน ออกมาจากความคิดออกมาจากอารมณ์หรือว่าการเคลื่อนไหวของกายในะการเดินจงกรมการนั่งสร้างจังหวะนะีหรือว่าการนั่งดูลมหายใจก็ตามแต่เราทาเป็นนะเราเห็นเออจิตของเราไม่เข้าไปในความคิดและที่สำคัญ ก, ก็คือนอกจากไม่เข้าเวลามีความคิดเกิดขึ้นมานะมันก็ถูกรู้เท่ารู้ทันทันทีอาเงีนะ้ยรู้ตัดรู้ตัดรู้ตัดนะความคิดกันเลยนะไม่รู้จะคิดไปทําไม อ่อนตัวลงอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจนท้ายสุดเบาๆ บ, บางๆไปพวกนี้เกิดจากความคิดมันเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ปรุงแต่งจนกระทั่งมันเหมือนกกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยบางทีเราก็งงไมารุ้มคิดทําไมเรื่องผ่านมาแล้วเจ็ดวันสะิบวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีก็ยังเก็บเอามาคิดอยู่แล้ ว, ลวจาไม่ลืมนะอันนี้เรียก ว, ว่ารอยมีดกรีดในหิน ลอยมีกรีดใน ห, ห็นนั้มเป็นรอยแล้วมันลบยากตายก็ไม่ลืมแหละบางทีจะตายแล้วก็ยังค่าพยาบาลจองเวรจองกรรมอยู่อันนี้ก็ตายตาไม่หลับประเภทนี้ต่อมาก็คือรอยมีดกรีดบนดินจิตใจของเราบางเรื่องบางราวก็เหมือนก็ลอยมีดกรีดลงไปบนดินมันโดนกระทำจนกระทั่งเหมืนกาประทับโอปทับใจลงไป ลอยบนรอยบาปรอยได้ลอยเสียรอยสุขรอยทุกข์นะมันโดนกระทาแต่พอเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นเบาบางบางเอา้าลืมไปแล้วอย่างเงี้ยอยมีกี่พืนดินใช้เวลาหน่อยนะความทุกข์หายไปเองรนะอยมีกี่ในน้ำนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของคนมีธรรมะนะโดนกระทบแล้วไม่สะเทือนนะถูกกลีดลงไปแล้วก็ลบรอยได้ทันทนะีคนที่มีสติสมาธิปัญญานะ แเพะสถิปัฏฐานโดยเนี้ยนะแต่ฝึกดีๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆกระทบกับคนนินทาสรรเสริญมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มันก็แค่กระทบเท่านั้นแหละนะมันไม่เข้าไปถึงเอามาเป็นการปรุงแต่งเอาเป็นความจดจํานะนับวันนับเดือนนับปีนับพบนับชาติไม่ถ้วนนะมันเป็นสังสารวัตรนะมันเป็นภัยวัฏสงสารนะมนุษย์เราเวียนว่ายตายเกิดกันาอย่างนี้แหละนะ เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับร่างกายของเราเกิดจากท้องแมนะ่ครั้งหนึ่งแล้วก็ตายหน้าเข้าลงไปแต่จิตของเราเนี่ยแหละสังสารวัตรมันเช่นตั้งแต่มาถึงวัดเนี่ยนะมันคิดกี่เรื่องกีนะ่ลาวแล้วในวันเนียมคิดกี่เรื่องแล้วนะคุมดีคุมร้ายฟนะูฟูฟฟแฟบแฟบนะสุกสุกทุกๆุกนะมันเป็นภพชาตนะิทุกกระถือว่าเป็นอบายภูมะินะ สุถือเป็นสุขติภูมิเราก็ปรับมาอยู่วัดป่าสุขโตก็เป็นสุขโตไปแล้วด้วยดีเป็นพุทธภูมิไปเลยเป็นลนักษณะของจิตที่ฉลาดเกิดความสะดสว่างส ง, งบแล้วคล่องตัวว่องไวตัวนี้สาคัญเพราะนั้นในช่วงนี้เราก็เชื่อกันว่าวันนี้นะเป็นวันละไม้คล้ายวันที่องค์สมเด็จสมัยเจ้า เ, เดินจากพุทธกยาเนีนะ่ย รัฐพิหารปัจจุบันนี้ของอินเดียเป็นเป็นรัฐที่ยากจนที่สุดในประเทศอินเดียขอทานเยอะก็กำลังเดินลอนแลมไปตลอดตลอดสองสามร้อยกิโลนะเดินเข้าเมืองพาราณสนะีก็เชื่อว่าวันนี้ไปพาราณสนะีถึงตัวเรียกว่าศูนย์กลางนะของจังหวัดกาดวาได้เสนะร็จแล้วก็ปรกากฏไปเจอรัฐที่มากมายเหลือเกิน รัติบูชาไฟรัติหนุ่งลมห่มฟ้ารัติเจแม่กาลีเจแม่คงคาสารภัตฑ์พระลักพระอ า, ารามพระนารายณ์เสร็จแล้วก็ไม่สามารถที่จะเผยแผ่ได้เพราะก็มีความเชื่อมีทิฏฐิอันหนักแน่นว่าของเขาถูกมิจฉาทิฏฐิของเจ้าเรียกเสร็จแล้วเจ้าก็เลยอ่ไม่เป็นไรเราเดินไปหาปัญจวกกัคคีที่ป่า อีสปนั่นนะลกกะทยวันดีกว่านก็เดินไปตกตักตกตักตกตั ก, ต ก, ต ก, ต ก, ตกเดินไปนะเขเชื่อว่าพวนี้แหละจะไปเจอกับปัญจวัคคีนะแล้วก็ทีมกันก็คือปัญจวัคคีก็ไม่ได้เชื่อนะว่าบุรุษนี้บรรลุธรรมพระเจ้าก็บอกว่าเออให้นางลงก่อ น, นตอนเนี้ยเราได้บรรลุธรรมเรียบร้อยแล้วท่านเคยพูด ไหมพวกเราเคยได้ยินได้ฟังแบบนี้ไหมท่านไม่เคยพูดมาก่อนนะคำนี้นะเพราะฉะนั้นพวกเราก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เราได้พูดแล้วว่าเราบรรลุธรรมแล้วนะปัญจวัคคีย์ก็เอออัญญาโกอัญญาโดยะเพาะนะเป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีย์ก็เลยบอกว่าเออพวกเราจริงด้วยนะท่านไม่เคยพูดอย่างนี้นั่งลงฟังกันก่อนก็นแล้วกันแต่แรกคิดว่าจะไม่ปูอาสนะให้นั่งนะ แต่พอทำไปทำมาเริ่มใส่ขึ้นมาศรัทธาขึ้นมานะก็จึงนั่งฟังพระเจ้าประเทศนะวันพวกนี้การที่แต่คือธรรมจักกะปอนสุดนะว่าด้วยอะไรเป็นของปุถุชนนะอะไรเป็นของต่ํารามนะไม่ใช่ของภริยาเจ้าก็นะาไมถึงไม่พึงกระทํานำะอะไรที่เป็นของภริยเจ้าภนะริยามักมีองค์8ปนดะตรงนี้มันเป็นหนทางเดินสู่การพ้นทุกข์นะ S 1> <S 1> นะมันก็มีนี่แหละสำ ม, มาสติสำ ม, มาสมาธิสำ ม, มาทิฏฐิเบื้องตน้นแต่ท้ายสุด ก, ก็คือยุคหลังๆต่อมาจนั่งถึงปัจจุบันเนี่ยนะในการฟังเทศฟังธรรมนะมันก็มีอยู่คนที่เข้าใจได้แต่ว่าน้อยเหลือเกินนะแต่คนที่สามารถที่จะเข้าใจได้จากผ่านการปฏิบัติฝึกขัดสตนะิมีความรู้สึกตัวมีความเป็นปกติในจิตในใจ จะนัเกิดปัญญาขึ้นมาจากการปฏิบัติเรียกว่าวิปัสนาทุระนะตรงมันก็เกิดขึ้นมากมายแล้ว ก, กันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเรายกตัวอย่างเช่นนะที่นี่เราก็ปฏิบัติกันแบบแนวหลวงปู่เตียนจิตโทโผท่านก็มีความรู้นะแบบชาบ้านสนอกสนใจนะที่จะเป็นคนดีนะเป็นผู้นําชาวบ้าน แล้วก็เป็นผู้นนะําในการรวบรวมนะงานบุญต่างๆงานผ้าป่างานกระถิ่นท้ายสุดเนี่ยท่านทอดกรินห้ากอง น, นะแต่ว่าวันนั้นมีความโกรธอารมณ์โกรธปรากฏขึ้นมาในงานบุญภรรยาก็พูดประชดประชันก น, นกระแนกระแหนว่าเออทาบุญไปนรกแล้วแต่ทําบุญแล้วยังโกรธภรรยาอยู่กดธค่อยอยู่นะ ทำบุญก็ต้องได้บุญเสียมีความสุขเสียอันนี้มีความทุกข์มีความโกรธน้าบดนาเบิงอยงนี้รู้ผู้เทียนก็เกิดปัญญาขึ้นมาเอ๊มันใช่แท่เดนะเราก็ทําบุญทาทานมามากนะสร้างบุตรสร้างวิหารนะแต่ไม่รู้จักเลยนะบุญบาปนี้นะบัดนี้จะต้องออกฝึกหัดปฏิบัติม้างแล้วนะจะได้รู้จักนะบอกบุญบ้าบาปเป็นไงความโกรธ มันไม่หายไปจากจิตจากใจเราเราจะไม่กลับมาเลยก็ตั้งใจปฏิบัตินะก็ออกจากบ้านไปแล้วก็เนี่ยราไปฝึกสติท่านก็ฝึกอยู่2วันผลก็คือสามารถเข้าใจธรรมะได้นะท่านก็ไม่ได้ศึกษาจากตำราตาลาอะไรท่านหันกลับมาดูกายใจของท่านสมัยก่อนนี่มีการสอนแล้วก็มีการใส่คำบริกรรมไปด้วย หลงผู้เทียนตัวครูอาจารย์สอนให้เคลื่อนมืออย่างเงี้พลิกมือตั้งติยงนิ่งยกขึ้นมาติยงนิ่งมาวางที่สะดือติยงนิ่งพลิกมือซ้ายตั้งติยงนิ่งยกมือขึ้นไปติยงนิ่งมาสัมผัสที่หลังมือขวาติยงนิ่งอย่างเงี้ยทาไปเรื่อยๆไหวนิ่งไหวนิ่งไหวนิ่ ง, อ ย, งอยู่ได้ล ะ, ระบริกรรมไปบริกรรมไปก็คิดว่าเอ๊ะ เราสัมผัสรู้สึกมันก็พอแล้วนี่นะนะบริการมไม่ต้องพูดก็ได้พอท่านยกคำบริการมออกเท่านั้นนะปรากฏว่าเออท่านกระจายธรรมะเลยคือสามารถเห็นความพิความคิดมปรากฏขึ้นมานะมันเป็นสิ่งที่ผิดปกตนะิท่านรู้สึกตัวจิตมันธรรมดาธรรมดาโล่งโล่งปร่งโปรง่ปรงว่างๆอพอมีความคิดปรากฏขึ้นมาเท่า น, นั้นโอ้ไอตัวนี้เป็นสาเหตุเป็นสาเหตุนะเมื่อหลงเข้าไปในความคิดโปรงุงโปรง่ปรงแต่ง คิดแล้วก็โลภคิดแล้วก็โกรธอ๋อจับได้จับได้คิดแล้วก็หลงคิดแล้วก็รักคิดแล้วก็ชังคิดแล้วก็เป็นสุขคิดแล้วก็เป็นทุกข์ก็เลยเห็นโอ้ยตัวคิดเนี่ยมันเป็นเหตุทําให้คนเราทุกคนเนี่ยต้องทําตามความคิดจงทั้งเกิดความวุ่นวายใจคิดขึ้นมาทีไรโอ้มันทุกทุกทีพอเห็นความคิดนั้นนั้นโอ้มันไม่ทุกทุกทีมันอิสระเกิดขึ้นมานะ พอเกิดปัญญาอย่างนี้ขึ้นมาโอ้ท่านสอนอยู่สองปีกับ8เดือนนะเป็นโยมสอนคนที่อยู่รอ บ, บตัวเข้าใจธรรมะหลายคนบางคนก็เลยฝนะึกสติในการทํางานบางคนไปเก็บป้าก็บรรลุรมได้บางคนเลี้ยงหมูอยู่นะขณะที่ให้ข้าวหมูคุณข้าวหมูเกิดเห็นรูปนามขึ้นมาเข้าใจธรรมะขึ้นมาเห็นความคิดตัวเองขึ้นมานะ มันก็เลยเป็นเรื่องที่เหนะมือนกับว่าปัญญาชนรับรู้แล้วก็สะดุดใจตื่นตัวเห็นว่าเออธรรมะนี่ปฏิบัติได้ให้ผลได้แล้วก็เป็นเรื่องของคนปฏิบัตินะใครปฏิบัติคนนั้นก็ได้แล้วก็สามารถที่จะสัมผัสผลได้ทุกคนหลวงพ่อเทียนก็จึงบวชนะพอสองปี8ดเดือนก็บวชจนกระทั่งนะสอนวิธีการปฏิบัติธรรมเจริญสติแนวเคลื่อนไหวจนมาถึงหลวงปู่ คำเขียนหลวงพ่อคำเขียนปฏิบัติตามหลวงปู่เทียนแล้วก็เห็นเห็นจริงตามที่หลวงปู่เทียนสอนแล้วมีครูบาอาจารย์อีกมากมายเหลือเกินนะยุคนี้เราก็เรียกว่าไม่อดไม่อยากหลวงพ่อครูบาอาจารย์หรือว่ากัลยาณมิตรที่จะชวนกันไปในทางที่ไม่เสื่อมแล้วก็พูดแบบเหมือนกับว่าตรงไปตรงมาเราสามารถที่จะสัมผัสได้ทันทีอย่าง เราเชื่อไม่ว่าอหลวงพ่อเตียนท่านพูดจริงท่านพูดถึงว่าทุกข์เนี่ยเกิดมาจากความคิดถ้าออกมาจออกาจออกความคิดได้นะไม่ทุกข์หรอกแต่ถ้าเราเจตนาคิดนี่ไม่เป็นไรบวกลบคูณหารทํางานทําการเนี่ยเอาไปทําเลยเจตนาคิดเนี่ยแต่อยู่ๆมันคิดขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจนะเช่นก่อนนอนเป็นตน้นก่อนนอนหาเรื่องมาคิดก็นอนไม่หลับ ปีกซ้ายปีกขวาอย่าง น, น, นอนไม่หลับหรือว่าบางทีนะจะดื่มน้าสักแก้วหนึ่งความคิดหล่นลงไปจะรับทานอาหารสักจานหนึ่งความคิดก็หล่นลงไปเมื่อกี้งานยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะต้องไปทํางานต่อหรือว่านาคตเดี๋ยวจะไปไหนต่อไปเราก็เลยไม่ไดนะ้รับรู้ความสุขในปัจจุบันขณนะรับทานอาหารอย่างเี้เป็นต้นเดินก็เดินฟรีฟีนั่งก็นั่งฟรีฟนอนก็นอนฟรีฟรีรับทานอาหารก็ฟรีอีกตลอดลเวลา เราก็จึงมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเวลาผ่านไปการทํางานเราตําแหน่งดีขึ้นเราก็ยังทุกอยู่นีเอ๊ะทำไมเราก็มีคนล้อมหน้าล้อมหลังการเงินการทองฐานหน้าก็ดีขึ้นแต่มาอยังทุกอยู่ทําไมมันเหมือนกับว่าอยู่คนเดียวมันเหงามันว้าวเเมันเปลี่ยวใจมันเศร้ามันเหงามันบอกไม่ถูกมันไม่อิ่มอกอิ่มใจนีมันเหมือนมันขาดอะไรไปรู้ มันไม่ได้คําตอบในการดําเนินชีวิตอันนี้แหละมันบอกถึงว่าขาดกรรมฐานแน่นอนขาดกรรมฐานแน่นอนวัตถุเงินทอนอาหารการกบฉันเสนาสนะที่อยู่อาศัยไม่ขาดแต่ขาดการกลับมาหาความรู้สึกตัวปล่อยให้จิตใจของเราตะลดิดเปิดเปิงไปกับความคิดไปหมกมุ่นอยู่กับวัตถุกรรมคุลวัตถุหนึ่งสองบุคคล12ึ่ง ส, งสให้เหมือนกับว่าใช้เวลาฆ่าชีวิตตัวเองไปวันวัน เราอยู่กับความคิดความคิดก็ฆ่าเราเป็นโรคต่างๆมากมายแล้วกันที่เกิดมาจากความคิดเนียคิดแ ล, ลวด้วโกรธมีผลต่อตับโรคตับก็โกรธมาคิดแล้วกลัวมีผลต่อไตนะโรคไตก็มากับความกลัวคิดแล้วดีใจก็เกิดโรคหัวใจขึ้นมาดีใจมากๆมีความสุขมากๆดีไขมันมากๆหนึ่งมาจากอาหารมัก็สังหารเราคิดแล้วนะกังวลใจมีผลต่อ ม, าม้า คิดมากๆก็นะกหิวทั้งวั น, ก, น ก, กินจุกินจะิกเครียดมากๆ ก, ก, กินรสจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดเผ็ดจั ด, จดก็มีผลต่อกระเพาะมันโยงมาหาโรคไล่ลในตัวเรานะเราก็จึงไม่มีความสุขวนะันนี้เราก็จึงเนะีมารวมตัวกันเป็นบ้านหลังใหญ่ทีเดียวนะทุกคนบัญญาติพี่น้องกันที่ไม่มีใครแปลกหน้าเลยสักคนเดียวนะคําพูดของหลวงพ่อขมขียนนะประธานสงที่นี่เขาพูดไว้ว่าที่นี่นะสําหราที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้านะ มิตรญาติมิตรที่เพิ่งได้มาพบหน้ากันมิตรญาติแต่มิตรเราก็เลยนะมือนก็ว่าเกิดกําลังใจขึ้นมาไม่ว้าเวไม่เปล่าเปลี่ยวเดียวดายมาทำสิ่งเดียวกันก็คือการฝึกหัดพัฒ น, นาจิตนะก็มีหลวงปฐกมนะ์อายุมากแล้ว6ปดสินะีท่านก็กล่าวว่าจะบวชตลอดชีวิตเลยกระไดอันนี้ส่มาจากนึ่งละการยกมือ14บ่ก็ไหวาการปฏิบัติธรรมท่านพูดเสมอว่า คนเราเนี่ยนมันมีหน้าตาอย่างที่เราเห็นน่ะเป็นคนจริงๆริจับหัวมีตาสองตามีหูสองหูมีจมูกสองรูเนี่ยมันเป็นคนหน้าตานะแต่ว่าใจนี่มันเป็นได้หลายอย่างเป็นเปรตก็ได้เป็นสัตว์นโลกก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นอสูรกายขี้ขาดตาขาวก็ได้เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ได้เป็นได้หลายอย่างนะ เพราะนั้นเราก็จะใช้ร่างกายของเราที่เป็นคนนะยกขึ้นมาให้มันเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐโดยการฝึกสติแล้วก็ยกจิตขึ้นไปให้สูงกว่ามนุษย์เองเป็นพระนะมีกําลังใจไม่จนใจกําลังของรรสติศีลสมาธิปัญญาพวกนีนะ้มันเป็นพลังเป็นพละทำให้เราเหมือนกับว่าดําเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าอย่างผาสุขนะเป็นความสุขสวยรวยดีแล้วก็ฉลาดนะ เห็นโลกตามความเป็นจริงแล้วก็เกิดการปล่อยวางขึ้นไหมนะี่มันก็เกิดความเบายิ่ ง, งขึ้นไปนะมันก็สมกับคุณค่าให้เรามาฉลองนะปีนี้เป็นปีพุทธเจริญตีที่ศาสนาพุทธนะประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนะเป็นศูนย์กลางของศาสนาซึ่งนะกษัตริย์ทุกๆพระองค์งเป็นพุทธมาม ก, กะนะมันก็สมภูมิจิตภูมิธรรมจิตวิญญาณแบบไทยๆวัดวาอารามแบบไทยๆ วิธีปฏิบัติแบบไทยๆแล้วก็ยังมีกลิ่นไอของมรรคผลนิพพานอยู่จริงเพราะฉะนั้นก็จึงขอให้พวกเราทุกคนทุกท่า น, นที่มารวมตัวกันในครั้งนีนะ้ก็จงเหมือนกับว่ามีความสุขมีความสุขมีความสุขนะในการไปทำรนกระทั่งเข้าถึงัสภาวะของปกติจิตนะตามสมควรแก่การปฏิบัติโดยตัวนักกันทุกท่านทุกคนนันเอ